สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหารคนชอบเล่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องดีรับเรื่องดีรับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของน้ําพึ่งครับน้ําพึ่งที่เราดื่มๆ่มกินกินกันนะครับเวลาที่เจ็บคอหรือว่าถือว่าเป็นยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งที่ทางการแพทย์เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันดีต่อร่างกายพอดีรุ่นพี่ผมที่ทํางานเป็นผู้รับเหมาได้คุยกันวันนี้ แกซื้อน้ำพึ่งมาขวดหนึ่งเจอกันใต้ถุนคอนโดก็เลยถามแกว่าน้ำพึ่งนี้มันเดือนไหนพี่เดือนห้าหรือเดือน12บสองแกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่าเป็นน้ำพึ่งแท้เนี่แหละก็เลยนั่งคุยกันถึงสรรพคุณและความวิเศษวิโส ข, ของประโยชน์ของเขาเนี่แหละแล้วแกก็ถามผมว่าเออรู้ไมทาไมน้าพึ่งมันถึงแพงผมก็เดา ว, ว่ามันคงจะเป็นของที่หายาก เพราะว่าของพวกนี้เป็นของที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นน่าจะลําบากในการจะต้องไปสอดแสวงหาเพื่อมาทําขายพวกเราเนี่ยผมก็ตอบแกไปอย่างนั้นแกก็บอกว่าใช่ใช่ใช่มันลําบากจริงๆแหละเพราะตัวกาเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเก็บรังพึ่งมาเหมือนกันผมเลยถามว่ามันยังไงอ่ะแกก็บอกว่าทําให้จดจําไปนานเลยแหละแกเลยเล่าให้ผมฟังว่าพี่เคยไปตีพึ่งครั้งนั้น ที่ไปที่ป่าเสม็จก็ตามตามเขาไปนี่นแหละไอเราก็ไม่เคยเห็นก็อยากจะรู้ว่าเ็าทากันยังไงอุปกรณ์เขาก็มีไม่กี่อย่างนะเห็นแล้วก็คิดว่าง่ายแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยวะเคล็ดลับง่ายๆแต่ปฏิบัติยากอ่ะมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละเขาบอกว่าถ้ารับปากเขาไม่ได้เขาก็จะไม่พาเข้าไปคนที่พาเข้าไปเขาบอกว่าถ้าทำไม่ได้เขาก็จะไม่พาเข้าไปเด็ดขาดเพราะจะตายกันหมด ไอตัวเราก็อยากเห็นก็รับปากเข้าไปที่แท้เคล็ดลับก็อยู่ที่ว่าจะต้องอดทนไม่ว่าพึ่งมันจะตอมยังไงจะไต่ ย, ยังไงก็แล้วแต่ห้ามปัดห้ามบี้หรือทําอันตรายมันใดๆทั้งสิ้นมันจะไต่ก็ช่างมันมันจะตอมก็ปล่อยมันอย่าปัดอย่าไล่เพราะไม่อย่างนั้นแล้วพึ่งทั้งรังจะมารุมเล่นงานพวกเราทันทีก็เห็นพวกเขารวมควันดมยากันก่อนจะเอาไม้ไผ่คมคุม ป่าตัดรังลงมาคราวนั้นที่ไปดูมันเป็นพึ่งในป่าเสม็ดก็เลยได้น้ำหวานสีเหลืองๆอ่อนๆพึ่งรังใหญ่ๆก็จะได้น้ำหวานประมาณร่วม30ขวดเล้ากลมเลยทีเดียวเอามาขายขวดละ2อ0ร้รวยอื้อแต่คนที่นั่นเขาก็ไม่ตีกันบ่อยหรอกนะนานๆทีจะไปตีทีเพื่อจะได้มีรังไว้ใช้นานๆวิธีก็มีอยู่แค่นั่นแหละแต่มันมีอยู่แบหนึ่งที่ทาเอากับพี่หนักเลยมันไม่ใช่ที่ป่าเสม็ด แต่มันเป็นป่าทึบๆ ท, ทางภาคเหนือตอนนั้นพี่ขึ้นไปดูงานเนี่แหละเสร็จงานก็ว่างคนงานก็ชวนเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละพอเขาชวนไอเราว่างๆอยู่ก็รับปากก็อยากจะไปก็เรามีประสบการณ์ไปดูเข้ามาแล้วนี่ก็อยากจะเห็นอีกว่าที่นี่เขาจะแตกต่างกับที่นั่นยังไงเขาพาลุยป่าสองวันสองคืนเลยนะไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากดังหรอกไอลุยป่าเนี่ยแต่ที่มืนเหนือจริงๆก็ตอนที่เขาหมายตารังพึ่งเนี่ยแหละ กว่าจะเจอกว่าจะได้รังพึ่งที่มีขนาดตามที่ต้องการก็เล่นเอาเดินกันขาแข้งแทบิดเชื่อหรือเปล่ารังพึ่งที่เจอในป่านี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าพวกนี้ยเป็นพึ่งที่เขาเลี้ยงกันไว้เองโดยเขาบอกว่าเขาจะใช้กิ่งไม้มาไขว้กันไขว้กันแล้วก็เอาแร บ, บางอย่างมาล่อให้พึ่งมันเกาะเพื่อจะทํารังกว่าจะใช้ได้รังหนึ่ ง, งก็ไม่เท่าไหร่เองพึ่งที่นี่มันชุมเพราะมันเป็นป่าเบญจพรรณต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะ ดังนั้นพึ่งรังๆังหนึ่งก็จะมีปริมาณน้ำหวานที่เอาเรื่องอยู่มากเหมือนกันกว่าจะหมายตากว่าจะทำพิธีตัดและกว่าจะลำเลียงลงมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทุรักทุเลน่าดูและแกก็เล่าต่อว่าแต่ไอ้ที่ทำให้พี่กลัวเดี๋ยมันอยู่ต่อจากนั้นก็วันนั้นน่ะชาวบ้านกับคนนำทางเขาหมายตารังพึ่งที่จะตัดได้แล้วจากนั้นก็เริ่มหาทิพพักก่อนจะทาพิธีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตต่างๆ แต่เชื่อั้ยกำลังทำพิธีอยู่แท้ๆมันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจนได้อะเรื่องประหลาดก็คือพอลงมือจุดทูบขอก็มีเสียงลมพัดอู้อูอูพัดหมกระนำดังขึ้นมาจากในป่าเลยเสียงลมพัดเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดังน่ากลัวมากเลยไม่เหมือนกับเสียงลมที่เคยได้ยินจากที่อื่นเลยนะชาวบ้านกับคนที่พาไปเขาบอกว่าลมช่องเขานะครับลมช่องเขาเขาพูดปลอบใจเราไว้ พอจุดธูปได้สักพักคราวนี้ลมก็แรงขึ้นอีกมันน่าแปลกตรงที่ว่าต้นไม้ที่เห็นไกลๆแกว่งไหวโอนเอ็นไปตามลมนะ่ะมันก็ไม่ผิดปกติหรอกแต่ไอ้ต้นไม้ที่อยู่กระถัดมาไม่เท่าไหรนะ่น่ะมันนิ่งสนิทเลยเหมือนไม่มีลมพัดไปโดนมันสักนิดคิดว่าแปลกไหมละ่ะแกหันมาถามผมอีกผมก็ได้แต่พยักหน้าแกบอกว่าทําพิธีเรียบร้อยก็รอเวลาชาวบ้านเขาว่าต้องรอให้พลเพลสได้ก่อนเพราะตอนนี้พึ่งมันยังไม่กลับรังกัน จะทำให้เรารุมยามันยากสักพักช่วงคู่หนึ่งต่อมาหลังจากที่รอกันนานแล้วชาวบ้านก็จุดยากันเลยตอนที่จุดยาเนี่ยมันก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นตุบตุบตุบมันดังขึ้นใกล้ๆ ก, กับต้นไม้ที่มีรังพึ่งอยู่นั่นแหละตุบตุบตุบแล้วก็ไปดังไกลๆอีกเสียงมันดังตุบตบุน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่หล่นลงมาจากต้นไม้ แถมมันยังอยู่ใกล้ๆกับพวกกลุ่มพวกเราซะด้วยนะเราก็เริ่มเอะใจกันช่วยกันมองดูรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรทุกอย่างก็เงียบสงบเลยละ่ะเงียบเชียบหน้าดูทั้งที่เมื่อกี้มันยังมีตุ้มๆอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากยารมถูกจุดขึ้นเป็นกรรมแล้วก็แบ่งๆกันไปต่างคนต่างก็ปีนต้นไม้ขึ้นไปช่วยกันนมยาแต่ตัวพี่เนี่ยรอยอยู่ข้างล่างเพราะวันนั้นไปทําหน้าที่เป็นผู้ท่องเที่ยวและผู้ดูอย่างเดียวรวมจากหลายๆทาง ก็ได้ยินเสียงดังตุ้มพอพวกเขาปีนกันไปได้ครึ่งต้นก็ดียินเสียงดังตุ้อีกแล้วคราวนี้ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ใกล้ๆนี่เองแตเดี๋ยวก็ดังอีกตุ้ตุ้ตุต้ทุกคนต่างก็สงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่วะแต่ก็หาสาเหตุที่มามันไม่เจอไม่รู้ว่าเสียงอะไรทีนี้พี่เลยกวาดสายตามองไปรอบๆตรงบริเวณพี่ก็เห็นว่ามันเหมือนแบบต้นไม้รอบๆบริเวณที่พวกเราไปเอารังพึ่งเนี่ยมาดูแบบแปลกอ่ะ จะว่าโดนลมก็ไม่ใช่หรือว่าจะอะไรก็ไม่เชิงมันเหมือนไม่ขยับได้รอบๆเลยนะแต่มันมืดๆเพ่งมองอะไรก็ไม่ก็จะเห็นทีนี้เสียงก็ดังอีกตุบตุบตุบแต่ว่าพวกคนที่ขึ้นไปข้างบนน่ะมีสองคนที่ขึ้นไปถึงยอดแล้วเขาก็ตะโกนว่าเตรียมตัวนะก็เอายาเนะี่ยกำลังรมรังพึ่งอยู่เลยเตรียมจะตัด พี่เดินไปดูที่โคนต้นไม้ซะก่อนก็เห็นอะไรบางอย่างที่กองอยู่กับพื้นมันดูตะคุ่มตะคุ่มจะว่าเป็นสัตว์หรือตัวอะไรก็ไม่น่าจะใช่เพราะขนาดของมันน่ะมันใหญ่พี่กุดูแป๊บเดียวก็ละสายตาไปมองบนยอดไม้ตรงที่เขากําลังจะตัดรังพึ่งกันพอหันกลับมามองที่โคนต้นไม้อีกไอ้นั่นก็หายไปแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะเพราะไอ้สิ่งประหลาดประหลาดนั่นที่กองอยู่ที่โคนต้นไม้เมื่อกี้มันหายไปไหนมันเป็นอะไรพี่ผมเลยถามด้วยความอยากรู้นะ พี่แกก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่รูปเป้เหมือนกันน่ะมันเป็นอะไรพอหันไปดูมันหายไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนี้กำลังอยากดูว่าเขากำลังจะเอาลังพึ่งลงมากันก็เลยแงนหน้ามองดูแต่ข้างบนอย่างเดียวเลยใจจดใจจ่ออยู่กับนายสองคนที่ขึ้นไปตัดลังพึ่งนั่นแหละแต่จู่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาความถี่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีแค่เสียงเดียวนะ มันเหมือนแบบมีหลายเสียงเลยวีดังมาจากทั่วทิศทางเลยเสียงประมาณแบบคล้ายๆกับเวลาเราหูอื้ออ่แล้วจะมีเสียงวีดข้างในหูอ่ะแต่นี่มันดังกว่ามากมาอยู่นอกหูด้วยสิแล้วรู้สึกบรรยากาศมันเย็นไปหมดเลยข้างบนก็เลยชะงักกันไว้ก่อนเพราะทุกคนก็ดีนกันหมดก็เลยหันมองมองกันไปมองกันมามองไปมองมาเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้ต้นม้ที่อยู่ตรงรอบบริเวณที่เราขึ้นไปตัดรังผึ้งอ่ะมันขยับได้ แล้วก็จริงด้วยมันเดินเข้ามาเดินเข้ามาตอนแรกคิดว่ามันเป็นต้นไม้แต่มันไม่ใช่มันเป็นคนตัวสูงมากๆเดินเขย่งเขยงเขย่งเขย ง, ขย ง, ขยงมีแขนเดียวก็ถือไอ้เหมือนจะเป็นแขนอีกข้างหนึ่งที่มันขาดน่ะแล้วก็ตีกับขาตดดัวเองตุบตุบตุบมีประมาณ 4-5 หตัวเนี่ยช่วยกันตีอยู่ตุบตุบตุบและตอนนั้นพี่เสียวสันหลังมากเลย คนที่อยู่ข้างบนก็แหกปากแล้วก็เลย he i, he i, he i, he i เฮ้ยๆๆ้ยรีบลู้ต้นไม้ลงมาเลยตัวพี่กระตกใจหันหลังเพราะหันไปดูปุ๊บก็เห็นขาเลยแล้แงนมองไปดูพระเจ้าช่วยก็เห็นว่าเขาว่าถือแขนเขาก็ฟาดกับต้นไม้อยู่ตุบตุบตุบเสียงวีกก้กระโลงลมไปทั่วเลยตอนนั้นโอ้โหเหงื่อแตกตัวชารู้สึกหนาวถึงกระดูกเลยแหละได้ยินเสียงคนเอะวบวายกันใหญ่เลย เฮ้ย้เยเฮ้ไม่เอาแล้วแบวแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เรียกว่าทั้งกลุ่มอะร้องแรกแหกกระเจอกันหมดเลยแต่ตัวพี่ตอนนั้นอะทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ล้มลงนั่งแล้วก็มองดูแลเขาก็เดินโยงโยงโยงมาติดตรงต้นไม้ที่สองคนนั้นกํนลาลังไต่ลงมาแล้วเขาก็จะโงกหน้าไปหาสองคนนั้นสองคนนั้นอะยังลงมาไม่ถึงพื้นเลย ก็รีบกระโดดลงมาแบบไม่กลัวขาแข้งหักเลยนะตุ๊ปตุ๊หมูและแหกปากกัใหญ่เลยแล้วก็วิ่งมาดึงพี่ที่นั่งอยู่งั้นตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่าทุกคนน่ะขวัญหนีขวัญกะเจงขวัญหนีดีฝ่อกันหมดแล้วแล้วก็ตั้งสห้าตัวนั้นน่ะก็มาตรงต้นไม้ที่พวกเราจะเอารังพึ่งนั่นแหละเดินเข้าใบโยงโยงโยงโย ง, โยงพวกเราก็ถอยออกมากันเป็นกลุ่มเลยมองไปมองมาตาหาลายไปหมดเลยพี่ตอนนั้นน่ะเห็นเน่คนเห็นขาเห็นอะไรไปมั่วไปหมดเลย แล้วกระปุกนั้นก็ค่อยๆหายไปทุกคนกลัวกันแทบตายใจสั่นมือสั่นได้หมดความกลัวตอนนั้นน่ะมันแล่นขึ้นถึงหัวใจเลยทีเดียวปากคอก็สั่นพูดกันแทบไม่รู้เรื่องเลยพี่เองก็วูบมือไม้อ่อนขาอ่อนมันหนาวเย็นเยือยไปถึงกระดูกความตกใจมันทําให้พี่ล่วงสุดไปกับพื้นเลยจะรู้สึกตัวจะหลับแลไม่หลับแลแล้วก็รู้สึกว่าถูกหามออกมาจากป่าอย่างทุรัทุเล เพราะว่าไม่สามารถจะมีสติเดินออกมาเองได้กลับออกมาถึงก็มาจับไข้ทำให้ต้องเดือดร้อนกันเลยพอพ้นจากป่าได้เขาก็รีบพาตัวพี่ส่งเข้าโรงพยาบาลกันเลยไข้ขึ้นสูงมากเป็นหนักถึงขนาดว่าเพอ้อเลยแหละกว่าจะหายออกมาก็ปาไปประมาณเกือบครึ่งเดือนเรนว่าตอนนั้นนะ่ะเชื่อเรื่องผีแบบสนิทใจไปเลยคนที่ไปเยี่ยมคนงานก็ก็บอกว่า เจ้าป่าเจ้าเขาอะเขาคงจะไม่ยอมให้เรามาตัดรังพึ่งที่ดี่แหละเขาเลย ม, มาปรากฏตัวให้พวกเราเห็นกันวันนั้นก็ไม่มีใครเก็บข้าวของกลับออกมาเลยนะทิ้งมีดทิ้งของทิ้งอุปกรณ์ต่างๆทิ้งไว้ตรงนั้นกันเลยยังดีอะที่เขาไม่ทิ้งพี่ไปด้วยยังพากันออกมาอยู่เสียงที่ดังตุบๆกับไอ้แขนที่ฟาดกับขากับต้นไม้เน่ะภาพมันยังติดตากันอยู่เลยแล้วพี่แกก็บอกว่ารู้เลยว่าป่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป่าอย่างเดียว มันไม่ใช่สถานที่ที่นึกว่าจะเข้าไปทำอะไรก็ได้มันดีเท่าไรแล้วเนี่ยที่คราวนั้นน่ะเขาแค่มันหลอกไม่ได้ไหมเอาชีวิตนะพี่รอดมาได้คราวนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วอะ่ะเวลาซื้อน้ำผึ้งทีไรพี่ก็คิดถึงเรื่องนี้ทุกทีเลยแต่พี่ก็ชอบกินนะน้ำผึ้งอะ่ะแต่ว่าจะให้เข้าป่าไปดูเขาอีกอะ่ะไม่เอาแล้วนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่พี่เขาไปเจอมาตอนเข้าไปดูการตัดรังผึ้ง ที่ป่าในภาคเหนือผมคิดเลยว่าโอ้โหนี่ขนาดเรื่องเกี่ยวกับน้ําพึ่งนะเนี่ยมันยังมีเรื่องสยองอย่างนี้เกิดขึ้นได้อีกนะเนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละครับยังมีหลายเรื่องครับที่เราไม่รู้กันหรอกว่าในแต่ละสถานที่เขามีกติกากันยังไงและใครไปเจออะไรมาบ้างเราก็มอาจจะรู้ได้แต่ก็ขอบคุณพี่เขานะครับ ท, ที่อุตส่าห์มาเล่าแชร์เรื่องราวให้ผมได้นํามาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกทีหนึง่งก็หวังว่าทุกท่าน กน่าจะได้รับความรู้เด็กเล็ก น, น้อยเวลาเข้าป่ากันบ้างนะครับหรือไม่ก็ความบันเทิงนิดๆจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้ฟังไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ